เอานะ่าอย่าซีเรียสเรื่องการแก้ปัญหาชีวิตของหมาวันก่อนมีพ่อแม่พาลูกสาวมาหาหลวงพ่อ ร้องไห้ตลอดเวลาบนว่าอยากตายอยากตายหลวงพ่อถามพ่อแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแกบอกว่าลูกสาวอกหักแฟนทิ้งไปมีแฟนใหม่เลยคิดฆ่าตัวตายทุกคนเข้าไปห้ามปรามปลอบใจยังไงก็ไม่ยอมหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวอาตมาจัดการเองอีหนูมาหนีซิ สมนำหน้าพ่อแม่สอนมาตั้ง10บปี15ห้าปีไม่เชื่อไอ้ผู้ชายไม่รู้ดำดินมาจากไหนพูดแค่สองคำดันเชื่อตามเข้าไปเพราะคิดว่ามันดีกว่าพ่อกว่าแม่คิดว่ามันรักเรามากกว่าพ่อแม่เสร็จแล้วเป็นไงถูกเข้าหลอกโง่โงอย่างเนี้ยสมควรตาย สาวคนนั้นหันมามองหน้าพระลืมร้องไห้ปกติมีแต่คนปลอบใจมีแต่คนห้ามไม่ให้ฆ่าตัวตายพระทำไมพูดอย่างนี้พอหยุดร้องไห้หลวงพ่อเลยปล่อยหมัดเด็ดว่าหมาที่วัดเยอะแยะที่ตัวผู้มันไปติดตัวเมียตัวอื่นอาตมาไม่เห็นว่าหมามันฆ่าตัวตายเลย คนที่ อ, อกหักแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยโงกว่าหมาอีก